วันนี้วันที่ยีสิเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสาิห้าขอบันทึกความจำเพื่อบรร ด, ดาท่านทั้งหลายที่เป็นฤูษสิษจะไม่ใช่ฤูษสิษก็ตามโดยเพราะอย่างยิ่งวันนี้ป่วยมากมีการเพลียเป็นพิเศษนั่งที่ไหนก็อยากจะหลับ พอดีเป็นวันพระขึ้นไปข้าเดินใึ้เป็นแหลมไปข้ามเด่นเก้าจะลงสลาก็ลงไม่ไหวเทศก็เท่ไม่ไหวจะเดินก็เดินไม่ไหวความตายเป็นครยเข้ามาใกล้เต็มทีชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงที่พระพุทธเจ้าเทสกเปสการีท่องอยู่ทุกวันจำอยู่ทุกวัน มีความรู้สึกว่าไม่ชานักชีวิตนี้มันก็ต้องตายถ้าความตายมันเข้ามาถึงบรรดาทั้งหลายสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือพระนิพพานใครก็จะหาว่าบ้าบ้าบ่มบ่มก็ตามใจบางท่านเขาบอกว่าพระนิพพานมีสภาพศูนย์ตามบรรดาต่างๆก็เป็นรรสภาพศูนย์ จะ ว, ว่ า, าปีพศสองพันห้าร้อยปีนั้นป่วยมากต้องเข้าโรงพยาบาลวันแรกมีอการอืดเซี่ยงหนักตองค่าวันที่สองการอึดเสี่ยก็หนักตองหัวค่าพอวันที่สามนี่สั่งจากพยาบาลให้ขเตียงไปกขายเตียงนั่งให้นั่งได้ เตียมตัวว่าวันนี้ถ้าอยาตายก็ตายเขาด้วยกําลังของสมาธิและวิปัสสนาญาณเวลาหนึ่งทุ่มตรงก็เริ่มทําสมาธิคิดว่าเวลาประมาณสองทุ่มอาการเอือเสียนมาอีกมันมาสองทุ่มทุกวันสองวันมาแล้วแต่ว่าวันนี้แปลกเําว่าวันนี้จิหมายที่ไม่ใช่วันนี้นะ เป็นวันนั้นวันนั้นแปลกที่แปลกเพราะว่าแทนที่จะมีอาการอืดเสียดกลับปีกใจปลอดป ร, ปรง่งสบายมากมีรมเป็นสุขมีรมแช่มชื่นปลอดปรง่งมัน ป, ปลอดโปรยทุกอย่างการป่วยคราวนั้นบรรดาท่านพุทธริษัทเป็นการป่วยที่แปลกที่สุดพอจิตเข้าถึง พอร่างกายเข้าถึงโรงพยาบาลอารมณ์ก็วางทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรต้องการทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดไม่นึกถึงญาติพี่น้องคนรักภาสมาคมไม่นึกถึงไม่นึกถึงอะไรทั้งหมดจิตเมรมเฉยสบาย คิดอย่างเดียวว่าแม้ตร่างกายสักครู่หนึ่งมันก็อาจจะตายถ้ามันตายเวลานี้ก็เป็นเรื่องของมันไม่เสีไดายร่างกายอารมใจเป็นสุขใครไปใครมาก็คุยตามปกติบางคนเขาคิดว่าไม่ป่วยแต่ความจริงมันเดินไม่ค่อยไหว แต่ว่าเวลาเวลานั้นกเวลาสองทุ่มตรงเป็นเวลาที่อาการเอึดเสียมันมาจะมาแต่แทนที่มันจะมา ก, กับกายเป็นเท่าสามบดีพรหมท่านมาท่นานมาในลักษณะร่างกายก็ตามท่านเป็นปะจ่าแต่งตัวสวยมากเส่วอสองสวยแสงสว่างมากทั่วจักรวาล <c oughs> ท่านมาถึงท่านยืนบอกว่าคุณ พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้เข้าไปเฝ้าก็ถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นิพพานท่านให้คุณไปพบท่านก็บอกท่านบอกว่านิพพานอยู่ที่ไหนอาตมาก็ไป่ทราบถ้างั้นท่านพาไปก็แล้วกันอาตมาจะตามไปสั้งก็พาออกหน้าไป แล้วแทนนี้ถ้าจะาไปสวรรค์ได ah. ้ก็มโลก่อนท่านทาไปดูนรกต่างตโะกันต่างตโลกันมาหานรกมาถึงอเวจีแล้วก็เรื่อยขมาถึงขั้ที่หนึ่งเรื่อยขึ้นมาตามดับถึงแดนเปิดตัวกายแดนสติแดนสติฉันก็จนกระทั่งมาถึงแดนมนุษย์ถึงแดนเดรดาถึงแดนพรหมพอไปถึงพรมชั้นที่สิบหก ก็ปรากฏว่าชีที่ใหม่ของท่านท่านบอกว่าหน้าที่ของผมหน้าที่จะพามามีแค่นี้ต่อไปจากนี้เป็นแดงของนิพพานก็เป็นหน้าที่ของท่านแต่พื่อเดียวแต่ตอนนั้นดูดาท่านพุทธวิสัยน์หลายเป็นเรื่องแปลกขณะที่ท่านพาไปตั้งแต่โกลกันจตุรกขึ้นไปก็ตามกําลังมันดีมาก เร่แรงดีไม่รู้สึกเหนื่อยเดินผมด้วยความเพลิดเพลินพอต่นขึ้ น, อนมองบ่อยจะมองเห็นนรกก็นึกในใจว่าแต่ละขุมเราไม่มาไปถึงแดมนดดมนุษย์จะคิดว่าแดนมนุษย์จะทำควา ม, ม, วามทุกข์ยากมากมีความวุ่นวายมากเราไม่มาไปถึงแดนสวรรค์ไปถึงแดนตระอุศว่าทัลายมีความสุข ็ความสุขของท่านเหม็นนอนไม่นอนไม่ใช่ก็จุดตีเราไม่มาในการคิดว่าไม่มานี่ก็มไม่รู้จะไปทางไหนต่อไปท่านก็บอกว่านี่ทางไปนี่ผ่านท่านชี้ให้ดูเป็นทางที่ราบเรียบเหมือนแก้วบะสมทองแผลกวางเปรนยับ ก็ถามว่าทำทำไมทำไ ม, ไมผ่านไปเขาบอกไม่ใช่น้าศีของผมเป็นหน้าศี่ของท่านจะต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเองตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานเขาเขาบอกว่าเป็นแดนศูนย์แต่ว่าท้าวสามพดีผมก็บอกว่าเป็นแดนนิพพานก็แปลกใจก็ตั้งใจเดินไปข้อพ้นเขตมที่สิบหกอนดาท่านพุทธบริษัท ร่างกายมันอ่อนเพลียมากเหมือนคนรื้อไข้ <c oughs> เดินโผเผส่วนเสียไข่จละลม้มแต่ก็ต้องพยายามไปเราถือว่าคำสั่งต้องเป็นคาสั่งเรื่องนี้ถือมาตั้งแต่เด็กมาเดินไปสักครู่หนึ่งก็ไปพบบริเวณ ว, วัดวัดหนึ่งมีกำแพงเหมือนกําแพงแก้ะสมทองสวยงามมาก มีวิมานอยู่ด้านหน้าประตูใหญ่สีวิมานที่สีมานนั้นปรมีพรหของความจริงไม่ใช่พรหมพระธาตุหันถ้าตอนนั้นไม่ได้คิ่านิพพานม่อยู่คิดว่าเป็นพรมท่านธาอุหันสีองค์ท่งลุกขึ้นมายกมือไหว้ก็นึกว่าผมไหว่ก็รับไหว้ท่านก็ถามว่าที่นี่วดอะไร ท่านก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของท่านจะต้องรู้เองถ้ากันเดินหลีกท่านไปเข้าไปภายในไปเดินรอบๆ บ, บริเวณร่างกายมันก็จะล้มซึ็นสวยสดชื่งามดูเพิ่งมาเพิ่มเป็นทองมาสมแก้วกำแพงก็เหมือนทองมาสมแก้วมีกุติสามหลังหลังหนึ่งใหญ่ยาวมากค่ายกับวิหารลอยเมตรแล้วก็อีหลังทีสองหลังดันหนาเหมือนก็เหมือนกันบบรรพบ พ, พ, พ, พ, พ, พ, พ, พ่อปานก็พระเจดพระเจ้าถ้าก็ตั้งอยู่ชิกกันไม่ห่างกันแบบนั้น <c oughs> เป็นบริเวณกว้างก็เก้าก็อีกด้านหนึ่งก็มีหอลระคังหอระคังก็เหมือนเจ้าปะสมทองเหมือนกันหมดแต่ที่ไปยับสวยสดง็งามบอกไม่ถูกท่านเพืทอเนเจริญใจมากเดินไปปรากฏในบริเวณนั้นไม่มีใครเลย คนสักคนหนึ่งก็ไม่มีพอเดินไปถึงหอะระฆังก็เพลียต้องล้มไกายลงนอนบนพื้นของหอะระฆังที่ว่าไปไม่ไหวนอนตรง น, นี้แหละร่างกายที่อยู่ข้างล่างมันจะเป็นมันจะตายก็เป็นเรื่องของมันไปว่าพอนอนหันหน้าไปทางด้านที่ตนออกก็พอดีเห็นพระองค์หนึ่งเดินมา ท่านแต่งกายเป็นพระธรรมดานะว่ามีฉัพปันนางสีและสมีหัประการสว่างมากสวยสนงดงามมากเหมือนกับวัชจรสองกรดภาพนี้เคยเห็นเป็นปกติก็ทราบว่ า, าวน่ยคือพระพุทธเจ้าก็ทราบว่าพุทธจาาทเจ้าเด็จมาไปท่านมาทางกำแพงไม่เข้าทางประตูเขาคิดว่าท่านจะต้องโดดเข้าทางข้ า, านเขาโดดเข้ า, า, ข า, า, ขากำแพง แต่ความจริงมาถึงว่้ท่านไม่ต้องโดดคําภีร์มันขาดออกแล้วหดเข้าไปเป็นช่องละท่านเดินเข้ามาแล้วพอท่านเดินผ่านมาแล้วกัมแีรก็ติดตามเดิมพอมาถึงท่านก็นั่ง ใ, ใกล้ท่านถามว่าพอท่านนั่งก็เลยลุกจากที่นอนลงมานั่งข้างล่างคราบท่านท่านถามว่าอยากจะมานิ่ผ่านไหม ก็ตอบว่านิพานมีสภาพศูย์ท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรเขาตอบไม่ทราบท่านถามถึงเทวดาทุกชั้นพรหมทุกชั้นรู้จักไหมเขาบอกผมผ่านไปหมดแล้วเมื่อเลยพรหมท่าที่ที่สิบหกเขาเรียกอะไรเพราะบอกตำราไม่มีเขาก็เลยบอกว่านี่เรียกว่านิพานแต่เรื่องนี้บรรดาท่านผู้บริษัทถ้าต้องการอยากจะอ่านละเอียด น้ตรายละเอียดก็ขอให้ดูหนังสือหนังสือประวัติสมบารณไปกันแล้วกันนะที่นี่มีเวลาน้อยอนิดเวลาไปตั้งสิบนาทีกว่าแล้วก็ขอย้อนหลังว่านี่คว่า น, นิพพานพบมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้บรรดาท่านผู้บริษัทจิตใจไม่เคยพลาดา น, นิพพานไปนิพพานทุกวัน จะถามว่าไปวันกี่ชั่วโมงเขาตอบว่าไปทุกวันวันหลายครั้งตามบราระที่จะเพิ่งมีท่านี้ก็มานั่งคุยกันก่อนเมื่อพูดถึงนิพนานแล้วที่น้นตัวนี้มาพูดก็เพราะว่าจะต้องพูดถึงเรื่องธนิพนานเมื่อวันที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้ารอยยี่สิบ้าสองพันหรอยสี่สิห้าวันนั้นก็นอนลึกถึงพระเดชพระราชินีนาถ ว่าท่านเนียเยอะหกสิบปีใครใครเขาก็ทำบุญกันก็อยากจะบอกบุญบรรดาญาโยมพุทธบริ ษ, ษัทว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ทุกคนตั้งใจบาเพ็ญกุศลกุศลร่วมโดยเด็ตรพระราชกุศลเ ข, ขาก็บาดสมเด็จพระเยโฮวเ ข, ขาสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ ทั้งนี้เพราะว่าท่านทําประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่นคนทั่วไปทั้งคนและสัตว์ให้มีความสุขช่นมีการอนุรักษ์สัตว์ปล่อยปลาให้มีเป็นอิสระภาพแล้วก็ท่านสถานที่โลาะทุกอย่างที่ท่านรายทราบอยู่แล้วว่าทั้งสองพระองค์นี้ทําบุญกว้างขวางมากยากที่คน อ, อื่นจะเพิ่งทำได้ อย่างพวกเราอย่างเก่งก็ซื้อปลามาปล่อยในบ่อบ้างในสระบ้างถ้าจะปล่อยในแม่น้ำก็โรคนจะกินให้ท่านทาทุกอย่างก็คิดว่าอยากจะให้ทุกคนทำตามท่านแต่ก็มาสะดุดใจอยู่นิดหนึ่งการปล่อยปลาให้ลงไปในแม่น้าถ้าบังเอิญคนเขาจับปลากินเราจะบาปไหม ที่คิดว่าเราจะบาปไปเขาว่าเราปลอดลงไปเขาก็จับกินต่อมาก็ตั้งใจคิดว่าเราตอบเองไม่ได้ต้องอาศัยพระพระตอบเป็นของแน่นอนมากจึงรวบรวมกำลังใจไปไปจไปที่เทวสภาพอไปถึงก็ขอบคุณบรรดาเทวดาทัาังฟ้ารั้งุ่มทังหลาย ที่านช่วยเหลืองานทุกอย่างงานทุกประเภทท่านช่วยก็เขาเราก็ไปไหว้ท่านที่มีพระคุณต่างๆมีบิดามันดาในอดีตเป็นต้นหลังจากนั้นแล้วเทวดากับพระนางฟ้าก็กราบแต่ความจริงไม่ได้กราบอาตมาท่านกราบแล้วท่านมองหน้าเลยทิสอาตมาไป อาตมาก็หันไปดูข้างหลังเห็นพระพุทธเจ้าองค์ผสมประทับอยู่กับท่านท่านเทศไม่ทราบว่าท่านมาเมื่อไร่จรึงหันหน้าไปกราบท่านหลังจากนั้นท่านเทศว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นเทวดาก็ดีที่เป็นนางฟ้าก็ดีพิพุงก็ดีที่อยู่ในที่นี้ทั้งหมด จงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าตนเองจะไม่จติจงอย่าคิดว่าแดนความเป็นทิพทั้งหมดนี้จะเป็นเครบัตรของเราเอาตลอดจนตลอดสมัย <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่มีความสุขแต่ว่าหลายท่านสร้างบุญกุศลต่อ เจ้เทวดานางฟ้าใหม่ๆอย่าเพลิดเพลินในความเป็นทิพย์ลืมความเป็นลืมความตายเพราะเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์มาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์มันคง ม, มีความสุขก็เลยเพลิดเพลินในความเป็นทิพย์ทุกองค์งจงอย่าลืมว่าทุกท่านมีบาปเป็นคนเยอะทำบาปมากกว่าบุญ บาปยังติดกายท่านอยู่เพราะท่านพุทธรรมนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เห็นภาพบาปดาขึ้นมาถึงหน้าอกถึงยอดอกของทุกองค์ถ้าท่า น, นาหลายจะต้องจุดติจกที่นี่จะต้องลงไปชำระหนี้บาปนั่นคือต้องลงนรกที่บรรดาที่มีความทุกข์หนักท่านก็ชี้มือไปที่นรก เซนนรกสว่างสวยมากมีไฟแดงฉานมีกรรมกรการถูกลงโทษต่างๆแต่ละขุมละขุมท่านอธิบายว่าแต่ละขุมลงโทษอะไรบ้างใครบาปอะไรลงขุมไหนแต่ละขุมไม่มีความสุขไฟลุกโทษช่วงพื้นพื้นก็เป็นพื้นเหล็กเหล็กก็แดงเป็นคาสุขเมื่อเขาตีมีดถ้านนรกก็เหยียบย่ไปบนเหล็ก ถ้ามีไฟแดงฉานถ้าถูกค้อนทุกบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกดาบฟันบ้างอย่างนี้เป็นปกติเมื่อสิ้นบาทจากคุ้มนี้แล้วก็ไปคุมต่อไปเพราะบาะเธอคนมีมากอันดาเทวดานางฟ้าระดับธรรมดหมีก็น่าสี้นรูร้สึกถึงบาทที่ตัวทำไว้สมัยที่เป็นมนุษย์ ถ้าว่าทำให้หลายๆายชาติมันสะสมตัวเองบาปหนักท่านถามว่าเทวดานางฟ้าจะกลัวไหมทุกองค์ก็บอกว่ากลัวถ้าบอกว่ากลัวก็เอาอย่างนี้คายกันนะต่อนนี้ไปถ้าปฏิบัติได้ทุกองค์จะไม่ไม่มีโทษของบาปบาปจะไม่สารลงโทษได้ขึ้นหนึ่ง ต้องคิดไว้เสมอว่าชีวิตของเราชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงก่อนจะตายเราจะไม่ยอมลงอบายภูมิเวลานี้เรามาเครึ่องทางว่ น, นิพานแล้วจะมนุษย์นับเป็นจุดแรกมาถึงเทวดาเป็นถ้ถึงภูมเแดนั้กสวรรค์ก็ถือว่าเป็นกลางทางโน่นท่านนิพานท่านชี้มือขึ้นไปโดยท่านนิพานแจ่มใสมาก เป็นของใกล้ๆเป็นของไม่ไกลยอย่างนี้บรรดาทา่านพุทธไวสัตย์ท่านหลายอาจจะขัดกับความเห็นของบางคนบางคนกั บ, กบตำราอาตจจมาก็ถือว่าถ้าพระพุทธเจ้าเทศต้องจริงเจ้าฟังเทศมาหลายสิบปีแล้วไม่มีอะไรไม่จริงท่านบอกทุกอย่างจริงทั้งหมดถ้าเราไม่เชื่อป่าทาน ทุกเขาก็บอกว่ตั้งใจอยากจะปันิพัณฑมันพ้นทุกจะไม่มีการเคลื่อนปันธิพัณฑ์แล้วไม่ไปไหนอยู่ที่นั่นเขาก็ได้บอกว่าตั้งใจตามนี้นันหนึ่งคิดว่าชีวิตที่มันต้องตายถ้าเราจะตายเราจะไม่ยอมไปอบายภูมิเราจะมีพันธิพัณฑ์เป็นที่ไปเราจะเคารพพระพุทธเจ้าเพราะทำพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจถ้ามีสินห้าบริสุทธิ์ ถ้าตัดความก็ออกจากใจคื อ, อวิชาคือว่าไม่อยากเป็นมนุษย์ต่อไปไม่อยากเป็นเทวดานางฟ้าหรือคมต่อไปต้องการปฏิพันธ์นจุดเดียวเอาจิตจับวิาชาเฉพาะนิพานตั้งใจไว้ยอย่างยิ่งว่าถ้าร่างกายนี้มันพังเมื่อไร่ความบรรทิปเธอไหลตัวเมื่อไรเราจะไปฏิพันธ์มันนั้นเพียงเท่านี้เทวดาหรือคนเมื่อไรก็มีสภาพแจ่มใส มีธรรมปีติแสงสว่างมากกว่าเดิมเทวดกาก็ฟุ่มมากทัานนี้ก็มานั่งนึกไปก็แล้วก็ท่นทันท่นทนานถามว่าฤาษีมีความสงสัยอะไรบ้างเมื่อสองสาวันที่เรามาคิดอะไรถามแสงก็ได้นะ้ำทับสงสัยก็ตอบท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะบอกบุญ ให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจบำเพ็ญธรรมให้มีบารมีเข้มข้นใกล้พัะดิพานขึ้นมาให้มาพระิพานเร็วๆเพราะทุกคนตั้งใจดีบุนอย่างอื่นก็ทํากันแล้วทั้งหมดขาดที่ยังเนี่ยคือโดยเสด็จพระราชบุตลสแต่การโดยเสด็จพระราชบุตลสนี่ก็มีว่าบางส่วนพระบาทเสด็จเจอยู่ว่า ตวัวผมพระเบว า, า, าสินนต์ก็ไปปล่อยปลาถ้าปล่อยปลาไม่ตั้งใจให้คนกินมันจะบาปไหมท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจตานนั้นสิมันอยู่ที่เจตนาของผู้ปล่อยถ้าผู้ปล่อยคิดว่าปลาทั้งหมดนี้เราต้องการให้คนมาจับไปกินถ้าใครเขาจับไปกินมาไห่ปลาคนเราก็ต้องบาปตามเขา แต่ถ้าปล่อยว่าเพื่ออนุรักษ์ของที่มีอยู่เคยมีอยู่แล้วมันหมดไปยังปลานี้เป็นเครื่องประดับของน้ำน้ำที่ไหนถึงไม่ใาสา่ยสยก็ตามถ้าถ้าไม่มีปลามันก็มีไม่มีความชุ่มชื่นใจเราเห็นแต่น้ำใสมีความชื่นใจเจียงถ้ามีปลาว้มาเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขมากจิตใจเราจะสบายมากจ้าปลาเป็นเครื่องประดับของน้า ถ้าผู้ปล่อยมีความรู้สึกว่า ห, หนึ่งเราเลี้ยงปลาให้ปลามีชีวิตนี่เป็นบุญการได้สองเวลาปล่อยปล่อยต้องการให้ปลาเป็อิสรภาพอยู่ในเครืเต็มที่ครับแคบจังไม่มีความสุขถ้าอยู่ในที่กว้างจะมีความสุขมากถ้าเป็นอิสระหากินสบายไปไหนก็ไปได้ตามอธัธยาศัยอย่างนี่เป็นบุญการปล่อยปลาก็ถือว่าเป็นบุญมาก แต่ถ้าเป็นเรื่องว่าปลานี่จงเป็นเหยื่อของคนอย่างนี้บาปมันอยู่ที่เจต น, นาเข้าใจว่าพระบาสเดชพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเดชพระบรมราชินีน่าก็ดีไม่คิดว่าเป็นอาหารของคนต้องการแต่เพียว่าอนุรักษ์ให้ปลามันมีอยู่ในแม่น้ําแม่น้ําสายนี้เคยมีปลาแต่เวลานี้มันไม่มีปลาก็ปล่อยปลาลงไป ให้ปลาไม่เป็นอิสรภาพในเมื่อเราทำบุญกับท่านพลาทั้งหลายม่อิสรภาพฉันใดเราก็จะมีอิสรภาพจากความเป็นจากนรกฉันนั้นเพือไม่ต้องลงนรกแต่การในสองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพ ร, ระบรมราชินีนาถทรงเคราะคนทั่วประเทศ จะทรงมีความยากลำบากเพียงใดก็ตามทีพระเดชตามเสมอไปด้วยกันเสมอช่วยทุกอย่างให้คนมีอาชีพคือช่วยอย่างถาวรให้คนมีอาชีพดีขึ้นไม่ใช่ให้กินหมดอย่างนี้คนทุกคนที่รับการช่วยเหลือจะมีความสุขขึ้นก็มีภาพหลายภาพที่เขาแสดงทางโทรทัศน์ว่าเมื่อก่อนนี้มีความยากจนเขินใจไม่มีอะไรจะกิน จะเวลานี้ได้รับสายพระมหากรุณาธิคุณคของท่านเท่าทีามีกินมีใช้มีรายได้ปีถ้าเป็นเงินหมื่นบาทเงินหมื่นบาทถึงแม้จะจะไม่มากถึงก็มากสำหรับคนจนคนที่ไม่เคยมีก็รวมความว่าที่พรบาทสมเดจเ้อยู่หัวก็ดีเพิ่มมาสี่น่าก็ดีทำถ้าร่วมกับท่าน จะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยก็าตามไม่สําคัญหลายๆคนรวมกันก็มากขึ้นมาเองจะไปเหตุถ้ามีบา ร, รมีใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้นจะมีบา ร, รมีเต็มเร็วแล้วสามารถจะปฏิพันธ์ได้โดยง่ายแค่ตรงนี้ที่บรรดาท่านพุทธริษัทจับใจได้เกิพข้อที่พูดกัอยู่นั่นก็มองเห็นนิพพานอยู่แจ๋ว พระนานเบญแดนเามีความเบญนดนที่มีความสุขเทวดานางฟ้าโดยพลนหมก็สนับสนุนถ้าสามนาดีผมเข้ามาก็าจะบอกว่าคุณลงไปบอกบุญเขาได้เลยนะการบอกบุญมีสองอย่างคือหนึ่งให้เขาทำคนเล็กกับ น, น้อยคิกกันเวลาถึงเวลาสิ้นปีเท่นหรือวันถึงวันที่สิบสองสิงหาคม ของทุกปีจะให้ตัวแทนบรรจวายพระบาทสมเด็จเจ้าหัวกับสมเด็จพระราชินีนาถองค์ละเท่าเท่ากันจะเป็นเงินมากหรือเงินน้อยก็าตามเราเป็นคนจนเราไม่สามารถจะหาเงินตั้งหลายสิบล้านหลายร้อยล้านมาได้แต่ว่าถ้าทุกคนร่วมกันก็สามารถจะเป็นเงินมากสมมาได้ก็เพ็าะนั้นว่าถ้าหาว่าใครเขาตั้งใจจะถวายด้วยตนเอง ที่กราบคำทาก็ไปคอยท่านที่บริเวณโบสถ์พระรังแ้วเข้าไปแล้วในที่นันอยาา่าท่านเสด็จเข้าไปก็ชูมือขึ้นไม่ต้องชูสูงยกะตางยกแบงให้สันเห็นท่านก็นรับท่านไม่ถือพระองค์ท่านสององค์นี่เป็นกระสัตถ์ผู้ทรงทำจริงๆก็เป็นว่าพระพุทธเจ้าก็ยอมรับอเออเรสี ที่พระมติสมาดีพรมแนะนำมาถูกต้องแล้วก็ไปอันตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้เพงมีท่านจะโปรดจะให้ตัวแทนจัดเงินส่วนใดส่วนหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไ่้บริจากมาทั้งหมดไปถวายสมเด็จพระบรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็สมเด็จพระบรมราชีนีนาฏ ที่ใกล้ๆไพ่ยั่งไพศารทักษิณหลังจากนั้นก็นทุกปีจะ้วค่อยๆรวมกันเป็นเดือนๆเดือนอหนึ่งเข้าซอยสายลมครั้งหนึ่งก็าบอกบุญคั้งหนึ่งถ้าญาติโยมที่ไม่มีโอกาสมาซ อ, อยสายลมจะส่งทางไปสนีก็ได้มารวมกันไว้ได้เท่าไรแล้วจะประกาศให้ทราบทีหลังถ้าจะตั้งตัวแทนไปถวายก็บา ท, ทุกเด็กจีรโฮล เราจะได้ใกล้พันนิพพานยิ่งขึ้นอรบรนดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัท ต, ตางคําแนะนํานี้เป็นคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเป็นคาแนะนำของพระสาราีบดีผมด้วยช่วยแนะนําให้พวกเรามีบุญบา ร, รมีใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้นมีบา ร, รมีเต็มหวังว่าคงไม่เป็นที่ขัดใจของบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาหมดแล้วนี่ข้อลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมองคลสมบูรณ์ผนผลจงมีเดียบรรดาธรรมพุทธสาวชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัส ด, ดี